อยู่ในพัตรไตรปิฎกอัตถาหรือดีกาเป็นต้นท่านที่ร้อยเรียงเรียบเรียงร้อยกองให้เป็นเหมาะแก่อภิยาสายของเรายัางมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ขอให้เราศึกษาภาษาธทรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ชัดแล้วการเดินจะได้มั่นใจมันจะได้ม่หลังเละเขายั่ไงไม่มใช่ชัดเดีจนทีนี้ฉะนั้นเมื่อเราศึกษาคำสอนในลักษณะอย่างนี้นนนที่ท่านกล่าวไว้ออว่า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 ไม่สามารถละเลยศัตตูประชธิคือไม่สามารถจะละศัตตูปรัิถอนสัตตัดสัญญาได้ถอนสัตบุคคลออกในอัตมุลสันดานไม่ได้ไม่สามารถถอนได้เลยเพราะเรารู้สุขรู้ทุ ก, กันทั้งนั้นเหมือนบอกฉันโตแล้วนะบาปวุ่นังรู้อะแต่รู้แค่นั้นมันไม่ใช่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 เพราะอะไรเนายอันมาใช้สับอยู่บ่อยถึงไม่กล้าพูดเพราะว่าขาโนวัตตะไอตอของวตตะใช่ไหมเราจะเป็นตอของวตตะหรืออะไรเนี่ใช่ไหมถ้าเป็นตอของวตตะเนี่ยแปลว่ามันถอนไม่ได้ถ้าตอของวัตตะจริงๆคือกลุ่มอเหตุกาทิฐินัิกาทิฐิอกคริยาทิฐิเนี่ย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 มืประชุมโพธิปัจญาธรรมโพธิปัจญาธรรมไปวิจัยอวิชชาสังขารวิญญาณำรูปสลายยตนาปัสสาะเวทนาตันหาปราทานภวะชาติฉลาดนะนะทั้งๆที่อวิชชาตันหาเนี่ยนะขอไปอวิชชาสังขารเนี่ยเป็นอดีแตออธาเป็นธรรมะที่เกิดในพบก่อนวิญญาณมรูปสลายยตนะปัสสาะเวทนาตันหาปราทานภวชาติชาติเนี่นะตันหาปราทานภวะเนี่ยนะภวะแค่ตรงเนี้ยนะอันนี้เป็นปัจจุบันอาธาเป็นธรรมที่เกิดในพพบนี้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 ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไปดูในจิตตาทุปัสนายังไม่ถันถึงใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเชื่อมโยงไปในอนาคตก่อนในมหาตันหาสังหิยาสูตรเนี่ยในมัชฌิมนิกายไปดูในมัชฌิมนิกาย อ, อ่ะท่านกล่าวบอกท่าลิทธกาพิครวที่เป็นลูกของคนฆ่าแรงมาบวชแล้วมีความเห็นสีดวิญญาณเที่ยงเออ่แล้วท่านรู้ทั่วถึงทางของพระพุทธเจ้าพระพเจ้ารู้ก่อนโมฆบุรุษ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 ถ้าคือขัดแย้งชินจักของพระเจ้าและทุกคนตอเชื่อเลยไ่ะเากลัวไหมข้อนี้ยอาคุจะสอนแบบนี้ทุกจักจะสอนไงกระช่างรู้เรื่องพระเจ้าสิเอาสิพระเจ้าก็เยี่ยมดีนะผมน่กลัวในคนยุเนี้อาตมากลัวที่ขี่คนยุคนี้จริงๆต้องไปบอกไปที่นี่ไ่ได้ท่านเลยเชื่อปฏิบัติขอ่งโยมแล้วเอาอะไรแ่เนี้ยมันเป็นเรื่องยาวไงเขามองว่าพระอย่างอาตมาะมีแต่บ้านปฏิบัติ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 เต่าด้วยที่อุบาสกบาศิกาด้วยนะงนะั้นแต่เราไปเจอเขามาดูก่อนพิสูจทั้งหลายโอ้ยเรารอดแล้วไม่มีเราบอกนี่พระเจ้าไม่ได้เตือนเรายิ่คิดผิดก็คิดถูกคิดผิดนะอันนี้เข้าใจกันเนาะตรงนี้จะไม่ต้องอธิบายบ่อยดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี่เหมือนกันส่วนการรู้ของพิสูจนี้ละศัตรูบระที่ได้ดูในอัตถกถาหนานาสามถอนสัตตสัญญาได้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 เอาพ่อเกงๆเลยที่เกงกว่าจะมาที่ยังหนุ่มยังแน่นว่าจะมาใกล้ตายแล้วใช่หมอยู่ไม่นานแล้วม่รูแลเดี๋ยวีกรการแล้วก็เลยบอกเออใช่ไหมอยากให้พระธรรมของพระเจ้ากระจานสิ่งที่ถูกต้องนะอยากให้สิ่งที่ถูกต้องในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยกระจายต้องขอไปสอนยังไม่ะไม่ได้เดี๋ยวขอขอไปสอนต้องขอไปสอนวี้ปัญหาคือบอกไปนี่นะสติเนี่ย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 ส่วนอินเดียสังวรศีนีะเหมือนกับรอบเมืองชายแดนรอบนอกเนาะในรอบนอกเนี่ยมีกองทหารติดด่านหกด่านเนี่ยนะทางตวานตาหูจมูกเล่นใจใจถ้าทางตาหูจมูกเล่นายใจพังเนลยนะปาริโมกสังวรศียอยู่รอดไหยเห็นไหมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อฉะนั้นตรงเนี้ยสติเนี่ยมาปารากุศลศี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 และไม่ใช่ติดจากแค่โลภะแค่นั้นเองน้อมถึงกรรมมศสตตายานที่พระองค์สั่งสมมาอย่างยาวนานอย่างนี้ชัดถ้าชัดพุทธคุณรูปกายได้เอาด เ, เจริญในรูปกายแล้วสามารถเจริญพุทธคุณได้หรอไถ้ายางนี้ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็ฟังมือหมดอันนี้ก็แปลว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่พอชได้แค่ไหนก็ข้อมูลตรงนั้นก็เจริญพุทธาลัติีพุทโนได้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 ถ้า ห, หาแค่ไหนใครเอาเป็นสิเข้าไปย่อต้องต้องอนุโมทนากับอาจาร ย, ย, ย์ในรักษาอายศาสตร์ของคุณทีนี้ทีนี้ทีนี้ถ้าหากว่าพิจารณ า, านี้ก็ไปไปรับใช่ไหมเพอรับมาอย่างนี้แต่ว่าเขารับแบบความภูมิใจและชื่นใจเ้าสมมุติว่ามันเป็นสมบัติชิ้นโบแดงของพ่อแม่แล้วกว่าพ่อแม่บอกลูกเลยกว่าที่กว่าที่พ่อจะหามาได้ดีนะ ยี่สิบประสงค์ขายยี่ด้วยแสนกับยิ่งสิบแสนมหากรับต้องบม่มเพาะบารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบปร ม, มัธรมบารมีสิบทุนทุกทรมานสลาอัตภาพนับไม่ถ้วนเนื้อที่สลาทิ้งไปยังมากกว่าภูเขาสิเรรุ่มากกว่าแผ่นดินแผ่นดิน น, นี้เลือดที่สลากจะกลายพ่อได้กว่าจะได้อะยทรัพย์มานี้นะมากกว่าน้ําในมหาสมุทร